แล้วก็ควรจะแจกธรรมะให้เป็นแนวความคิดจะหาก๋วยเตี๋ยวหรือหาปลาตังกโขมากินในจะหาอย่างไร น, นี่คือพิธีการลอลไเนียแจกแนวความคิดให้กับผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องะฉงนั้นวันเราจึงคิดว่าแจกธรรมเทศนาแลระว่าแจกแนวความคิดให้กับพี่น้องประช า, ะ ช, าชนที่ว่าจะเกิดประโยชน์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 ถ้าใครมากะถามซักสซไล่เลียงถามทุกคนได้ออกไปแล้วจะไปฟังไหมมีเครื่องฟังไหมกว่าจะแจกได้แต่ละคนนึก็คงจะเสียเวลาไปไม่รู้เท่าไหร่เพราะนั้นเราผมใครต้องการก็โยนให้หมอกไพหมอไพหมอกไพหมอกไ อ, ไอไแต่ผู้ที่เอาไปนั่นแนหะเอาไปฟังแล้วเอาไปทิ้ง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 คนทั้งหลายเออได้รับความสะดวกสบายมาพักผาอาศัยเออก็ยังคิดไปอีกอา้าวการเดินทางน่ยไม่ต้องปรับถนนโหนทางให้เตียนให้โล่งท่านก็ทำถนนโหนทางแต่นนพวกหมู่พวกเพื่อนเข้ามาเห็นอ้าวแต่แกทำอะไรโ อ, อ้ผมอยากจะทำถนนให้คนเดินเนี่ยราะคนมันเดินลำบากเออเอาดังนั้นผมมาช่วยด้วยเออเอามากเข้ามาเออ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 เราเปิปี่ยนภูนิที่ทำงานแปลกเหมือนกันนะแต่เนี้นพอต่อมาอีกอย่างทั้งเมียสี่คนเนี่ยต่อเอเราควรจะมีส่วนร่วม น, นางคนนึงก็เมื่อเขาไปสร้างอาคารขึ้นมาเนี่ยศาลาขึ้นมาที่พักแขกคน น, นางสุธรรมเนี่ยก็เสนอให้คนไปพูดว่าต้องการต้องการไหม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 ผาสุขของบนสวรรค์พอไปเห็นนางสุธรร ม, มานางสุจิตตานางสุนันทาเนะี่ยที่เป็นเมียกเก่าพวกนั้นมันกี้อิจฉากันอยู่แล้วใช่ไหมพ่อไปเห็นขึ้นมาโอ้นกกยางนี่ยก้มหน้าเลยรอย่างเงี้ยเนี่นอยอายเขากันเอีก็บอกให้บอกให้พระเอ็นโอ้ยขอให้เอาฆ่าลงไป เ, เ, เร็วๆโดยเถิดมวอายอย่างเง้ย น, นกยนกระยางก็อายเป็นเหมือนกันนะ่ะ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 แล้วก็พระอ็นก็นกระโดดนิรมิตตัวเองเป็นเขียดเป็นเขียดตัวเ ล, ล็กๆกระโดดไปพอกระโดดไปเนี่ยก็ไม่ใช่พอพระอินไปก็เห็นเ อ, อพอกระโดดไปก็ชักเหนียวเดาเดาเดาตายมันอนกกระยางก็วิ่งมาเห็นมากบเขียดมันตายใช่ไหมละ่ะ อ, อมันตายแล้วก็แน่นิ่ง นกกระยางกับเขียดเขียดดูมันตายไหมเนี่ยฮอเขียดตัวนี้มันตายไหมเนี่ยมันจะกินแล้วมั น, มนหิ ว, ลวเลยนะนกกระยางก็หิวเหมือนกันแต่นี้พอมันจะกินเน่ยพระเอ็นกับนิลิมิตรกระโดดไปกระโดดบ้างกันกกระยางก็เฉยไม่กินเพราะเขียดตัวนั้นยังมีชีวิตอยู่นะอพระอินโอนกกระยางตัวนี้ เ, เขารักษาศีลห้าได้จริงๆ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 สะหลบละคือหลวงพ่อบอกว่าตั้งแต่ที่แรกมนุษย์ชาติต้องการความสะดวกสบายไปในสถานที่ใดเ่ต้องการความสบายเพราะนั้นพวกเราเป็นเจ้าของถิ่นถ้าเราอยากจะได้บุญเหมือนกับนันทมานพนะอ่เราก็อำนวยความสะดวกให้กับเขาอาอันไหนที่จะเป็นประโยชน์มีน้ำมีถาม่มถา ม, มีอะไรอันในสงเหล่านั้นอันในสงที่ทาประกอบคุณงามความดีเหล่านั้นอ่ะมันไม่ไปไหนนะ